พวกเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเพราะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอน ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญค่าคาดปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆเพราะพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติตน จนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีแต่ความสุขอยู่ในใจตลอดเวลาพอท่านรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความสุขรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์เหตุของความสุขท่านก็รู้จากวิธีสร้างมันขึ้นมาเหตุของความทุกข์ ท่านก็รู้จักวิธีกำจัดมันให้หมดไปจากใจเมื่อไม่มีเหตุที่จะทำให้ใจทุกข์ใจก็จะไม่มีวันทุกต่อไปเมื่อรู้จักเหตุที่ทำให้ใจสุขสร้างเหตุที่ทำให้ใจสุขใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาต่างศาสนา ในท่านสอนว่าใจนี้สําคัญกว่าร่างกายร่างกายเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการดูแลเลี้ยงดูร่างกายจึงไม่จาเป็นที่จะต้องไปเลี้ยงดูมันมากเกินต่อความต้องการของร่างกาย ร่างกายต้องการปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยอยารักษาโรค เ, ออเครื่องนุ่งหม่มถ้าเรามีปัจจัยสี่สำหรับร่างกายพอเพียงแล้วเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาให้มากเกินไปหรือให้ดีเกินไป ให้มันแพงเกินไปมันก็ไม่ได้ทําอะไรที่ต่างกันอาหารแพงๆก็อาหารถูกๆ ก, ก็เป็นอาหารเหมือนกันเครื่องนุ่งห่มแพงๆเครื่องนุ่งห่มถูกๆ ก, ก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันบ้านแพงๆบ้านถูกๆ ก, ก็เหมือนกัน ยารักษาโรคแพงๆยารักษาโรคถูกๆมันก็รักษาโรคได้เหมือนกันต่อให้มีละยาแพงๆขนาดไหนถ้ามันจะตายมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีเพอาะฉะนั้นเราดูแลร่างกายพอให้มันอยู่ได้ก็พอความสุขที่เราได้รับจาก ร่างกายนี้น้อยกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากใจความสุขที่เราได้รับจากร่างกายนี้เปรียบเหมือนน้ำน้าในแก้วส่วนความสุขที่เราจะได้รับจากใจนี้เป็นน้ำในตุ่มกว้างใหญ่กว่ากันเราจึงอย่าไปหลงกับการสร้างความสุขให้กับร่างกาย ด้วยการไปหาอ า, อาหารแพงๆมารับประทานหาเสื้อผ้าแพงๆมาสวมใส่หาบ้านราคาแพงๆมาอยู่อาศัยหายาแพงๆมารักษาร่างกายเพราะว่ามันก็ได้ผลเท่ากันนั่นแหละเดี๋ยวก็แก่เหมือนกันเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันเดี๋ยวก็ตายเหมือนกัน เอาเวลาที่เราจะให้กับการเลี้ยงดูร่างกายแบบเกินขอบเขตนี้มาเลี้ยงดูจิตใจจะดีกว่าเพราะจะเพิ่มความสุขที่เราจะได้ที่เราได้จากร่างกายเราเราเติมน้ำผิดที่เราไปเติมน้ำในแก้วน้ำในแก้วเติมแล้วมันก็ร้อนแก้วมันเล็กนิดเดียวแต่เราเติมจัง เอาน้ำมาไม่รู้กี่ขวดเทลงไปที่แก้วแทนที่จะเทไปในตุ่มครับไม่เทไปในตุ่มเราเอาเวลามาหาความสุขให้กับทางร่างกายแต่เราไม่ค่อยหาเอาเวลามาหาความสุขให้กับใจใจเราก็เลยเหี่ยวแห้งใจเราก็เลยมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความไม่สบายใจต่างๆ พอใจความสุขในใจเราไม่เติมกันเราไปเติมความสุขทางร่างกายร่างกายเลยอิ่มมีพีมันะกายเป็นตุ่มกันนะแล้วในที่สุดมันก็มาฆ่าร่างกายนั่นแหละกินมากๆโรโรคมันก็มากขึ้นโรคความดันก็มาโรคเบาหวานก็มาโรคไขมันอุดตันก็มา โรคจิตปาเถาะที่เกิดจากการกินมากเกินไปมันจะตามมาอันนี้เพราะว่าเรามัวแต่ไปให้ความสำคัญกับร่างกายเพราะเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราความจริงนี่พระพุทธเจ้าทรงค้เพบว่าร่างกายเป็นคนใช้ของเราคนรับใช้เราเราเป็นนายเราเป็นใจ ใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ใจเป็นหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยไปเลี้ยงบ่าวอย่างดีทวนตัวเองไม่เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงดูไม่เลี้ยงดูเลยไม่หาอะไรให้กับเจ้านายเลยมือแต่มาคอยเลี้ยงดูคนรับใช้อย่างดิบอย่างดีเนยสลับเราทำผิดหน้าที่ เราควรที่จะเลี้ยงใจออให้มากกว่าเลี้ยงดูร่างกายออใช่ไหมถ้าเรามีคนรับใช้กับเราเนี่เราเลี้ยงใครดีกว่ากันเราเลี้ยงตัวเราหรือว่าเราเลี้ยงคนรับใชออ้คนรับใช้เราก็หาให้มันพออยู่ได้ก็พอใช่ไหมออถ้ามีบ้านก็หาห้องเล็กๆให้มันอยู่ค่าอาหารก็ให้มัน ตามความจาเป็นเมื่อละห้าสิบก็ให้มันไปเป็นเงินเดือนไปฉะนั้นเราไม่ได้เลี้ยงดูคนรับใช้เหมือนกับเราเลี้ยงดูตัวเราแต่เรากับร่างกายนี้กับทํากับตละปัดกันทำตรงกันข้ามกันแทนที่จะเลี้ยงเจ้านายกลับไปเลี้ยงคนใช้พ อ, อเจ้านายง่อเจ้านายหลง จานายถูกความหลงหลอกเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นเขาเป็นเราเห็นเราเป็นเขาเห็นคนรับใช้ว่าเป็นเราส่วนเห็นว่าเรานี่เป็นคนรับใช้ก็เลยไปรับใช้ร่างกายเลี้ยงดูร่างกายอย่างสุดๆเห็นไหมหาเสื้อผ้านี่หาแบบหาเท่าไหร่ก็ไม่พอ เดี๋ยวก็ซื้อมาเดี๋ยวก็ซื้อเห็นชุดออกไปเดินเที่ยวตามร้านเดี๋ยวเห็นชุดใหม่ออกมาเอาอยากได้ซื้อมาซื้อมาเสื้อผ้านี่ล้นตู้บางทีล้นบ้านบางคนไม่ใช่ล้นตู้ต้องเอาห้องห้องนอนมาทาเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเพราะเสื้อผ้ามันมากเพราะอยากจะให้ร่างกายมีเสื้อผ้าสวยๆไว้สวมใส่ คิดว่าร่างกายมีเสื้อผ้าสวมใส่สแล้วจะสวยงามแต่ความสวยงามของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นความสวยงามที่แท้จริงคนที่สวยทางร่างกายอาจจะมีคนไม่ชอบขี้หน้าก็ได้ถ้าไม่สวยทางจิตใจคนเรานี้สวยจริงๆนี่สวยทางจิตใจสวยด้วยความเมตตาสวยด้วยศีลธรรมะ คนไหนมีศีลธรรมมีความเมตตานี้มักจะมีคนรักคนชอบร่างกายหน้าตาจะขี้เหร่ยังไงก็ไม่มีใครเขารังเกียดแต่คนที่สวยทางร่างกายมีเสื้อผ้ า, าพร ส, สวยงามไม่สวมใส่แต่ใจไร้ความเมตตาปาณีใจปราศจากศีลธรรมนี้ไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วย มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับคนโกหกหกลอกลวงบ้างมีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับคนช่อโกองบ้างไม่มีอะมีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับคนเอารัดเอาเปรียบบ้างถึงแม้จะสวยงามทางร่างกายอย่างไรถ้าจิตใจไม่สวยงามมันก็ไม่มีใครเขาที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วย เหนมดูทำไมคนถึงเขาคบค้าสมาคมกับพระสงฆ์องค์เจ้าทาั้งๆที่หน้าตาท่านก็หัวโ้นๆพ้าก็มีแต่ชุดเดียวใ ส, ส่ซ้ำซากอยู่นั้นเจอในวันไหนก็เจอชุดนั้นแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่สวยงามทางร่างกายแต่ขอให้สวยงามทางจิตใจเข้าหาพระแล้วสบายอกสบายใจ ฟังพระพูดอะไรแล้วเชื่อได้ร้อยเปอร์ซนพระไม่โกหกพระบอกให้ทำอะไรจะได้อะไรก็เชื่อทำตามทุกอย่างเพราะว่าท่านสวยด้วยจิตใจพระพุทธเจ้าเราไม่เคยพบทำไมเรากับรักเคารพพระพุทธเจ้าเพราะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นความจริงรอยเปอร์็ ฟังแล้วประทับใจฟังแล้วทำให้เราฉลาดฟังแล้วทำให้เราเอาไปปฏิบัติให้เกิดความสุขขึ้นมาได้อย่างจริงจังเราก็เลยเคารพรักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สวยงามทางด้านจิตใจมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทรงสละเวลา45ปี เอาธรรมะคำสอนนั้นประเสริฐมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทำให้สัตว์โลกได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้รู้ว่าใครเป็นใครเป็นนายใครเป็นบา่าวให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนพอเรานำาอาไปปฏิบัติเราก็ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล เมื่อก่อนเราได้รับแต่ความสุขทางร่างกายพอเรามาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้เราเอาเวลามาตามความสุขทางใจกันพอเรามาเติมความสุขทางใจความสุขก็เพิ่มมากขึ้นไปเพราะว่าเราได้น้ำมากขึ้นแต่ที่เราจะเอาน้ำไปเทใส่แก้วแก้วเดียวเทไปกี่ขวดมันก็ได้น้ำแก้วเดียว แต่ทีนี้เราแทนที่จะน้ําไปเทใส่แก้วเราก็ไปเทใส่ตุ่มน้ําในตุ่มก็มีมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็มีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นใจของเรานี้เป็นที่รองรับความสุขทางใจเป็นเหมือนตุ่มน้ำํำรับความสุขได้มากกว่าร่างกายที่เป็นเหมือนแก้วน้ำํำรับความสุขได้เพียงแก้วเดียว ไม่ว่าจะเป็นอาหารแพงหรืออาหารถูกขอกินอิ่มแล้วอิ่มเหมือนกันไหมเสื้อผ้าแพงเสื้อผ้าถูกใสไปแล้วเหมือนกันไหมมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันปกป้องร่างกายไม่ให้ถูกอากาศหนาวเย็นมาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยปกป้องร่างกายไม่ให้มลงสัตว์กัดต่อยอหรือสัตว์อะไรมากัดมาทาร้าวร่างกาย ทำหน้าที่ได้เหมือนกันของแพงของถูกขอให้มันใช้ได้ก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันกินอาหารมื้อละร้อยกับมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันเราเรื่องอะไรเราจะเอาเอาเวลาเอาเงินไปหาเงินทองมาใช้กับของราคาแพงๆที่ทำหน้าที่ได้เหมือนกันพอเราไปหลงคิดว่า การเลี้ยงดูร่างกายนี้เป็นการเลี้ยงดูตัวเราแล้วเลี้ยงดูร่างกายแล้วเราจะได้รับความสุขมากยิ่งของแพงยิ่งยิ่งสุขมากแต่มันเป็นเพียงแต่ความรู้สึกหลอกเราหลอกเราว่าโอ๊ยเราสุขแล้วกินวันนี้กินอาหารมื้อละพันมื้อละหมื่นกินอาหารมื้อละร้อยมันรู้สึกไม่สุขเลยแต่ความจริงมันก็อิ่มเหมือนกั น, นกินแล้วมันก็ไม่หิว หน้าที่ของอาหารนี้มีไว้เพื่อดับความหิวจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมาณกับความหิวเท่านั้นเองจะสุกแบบหมื่นบาทกับสุกแบบร้อยบาทมันก็ดับความหิวเหมือนกันสุกแบบหมื่นบาทร้อยบาทพอกินเสร็จมันก็หมดไปผ่านไปหายไปเหมือนกันเราถูกความหลงความไม่รู้ความโง่ ความที่เราไม่ได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหลอกให้เราไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองกับการเลี้ยงดูร่างกายความสุขของเราก็เลยได้แค่เท่านั้นได้แค่ระดับแก้วน้ำแล้วความทุกข์ก็กลับมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเราต้องดิ้นหนุนหาเงินหาทองมาเลี้ยงร่างกาย เราก็ต้องเหน็ตเหนื่อยเมื่อล้า ว, วุ่นวายกับการหาเงินหาทอง อ, อันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าความสุขที่ที่ยิ่งใหญ่ความสุขส่วนใหญ่นี้อยู่ที่ไหนเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ใจเราคิดว่าอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่มีของแผงๆให้ร่างกายได้ใช้ เราก็เลยต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายคิดว่าจะทำให้ร่างกายมีอายุยืนยาวนานมันก็ไม่นานหรอกคนมีเงินทองมากมายบางทีก็ตายก่อนคนที่มีเงินทองนิดหน่อยก็มีคนที นำรวยมาหาศาลบางทีตายก่อนคนที่ยากจนตายก่อนขอทานที่อยู่แบบอดอยากขาดแคลนก็มีเหตนันเรื่องของร่างกายจึงไม่ใช่เป็นเรื่องสาคัญแต่เราไม่รู้กันเพราะเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็ได้ต้องรักษาเลี้ยงดูร่างกายให้มันมีความสุขให้มากที่สุด แต่ก็ได้เท่าแก้วน้ำเท่านั้นเองความสุขจากทางร่างกายแล้วนอกจากนั้นยังได้ความทุกข์แท้มาอีกเพราะว่าเราจะต้องเครียดต้องวุ่นวายกับการคอยเลี้ยงดูร่างกายแล้วเลี้ยงไปในทางที่ไม่ถูกแทนที่จะทําให้ร่างกายอยู่ปราศจากโรคภัยก็กลับทําให้เกิดมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอีกกินของเกินความต้องการของร่างกาย ส่วนที่เกินมันก็เลยเป็นเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายไปน้ําตาลมากเกินไปก็กลายเป็นพิษไขมันมากเกินไปก็เป็นพิษทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหาธรรมะไม่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาแล้ว เราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเลี้ยงดูร่างกายแบบมักน้อยสันโดษให้มันน้อยๆให้มันอยู่ได้ไม่ให้มันอดตายก็พ อ, อมันเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนถึงเวลามันก็ต้องตายเสียเวลาไปเปล่าๆ เ, เอาเวลามาเลี้ยงดูจิตใจจะดีกว่าจิตใจนี่ต้องการการดูแลอย่างมากแต่เรากับ ไม่ดูแลไม่เหลียวแลเลยดูแลก็น้อยเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าวิธีที่จะเลี้ยงดูจิตใ จ, จก็ต้องทำบุญทำทานเราก็ทำกันเฉพาะวันสำคัญสำคัญวันปีใหม่วันเกิดวันเทศกาลต่างๆปีหนึ่งก็มีไม่ถึงสิบวันทั้งปีทั้งชาติเลี้ยงดูร่างกายแค่สิบวัน ส่วนร่างกายนี้เลี้ยงมันทุกวันวันละสามมือ้อสี่มื้อห้ามื้อจิตใจก็เลยไม่ค่อยมีความสุขกันจิตใจก็เลยวุ่นวายเครียดกันเคีียนกับการเลี้ยงดูร่างกายเคีียดกับการป้องการภัยให้กับร่างกายเครียดกับการที่จะต้องม า, ารักษาพยาบาลร่างกาย เพราะว่าไม่ว่าจะใช้เงินทองมากน้อยเพียงไรในการดูแลร่างกายมันก็หนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เนี่ยนะถ้าเราเอาเวลามาเลี้ยงดูจิตใจะเลี้ยงดูร่างกายพอให้มันอยู่ได้เลี้ยงแบบมากน้อยสันโดษคือเอาไม่น้อยเอาเท่าที่จําเป็น กินให้มันดับความหิวก็พอไม่ต้องกินให้มันอิ่มกินพอมันรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดกินพอแล้วร่างกายอยู่ได้แล้วหายหิวแล้วเหมือนดื่มน้ำเราก็ดื่มเพื่อใ ห, ให้มันหายหิวน้ำเราไม่ดื่มน้ำจนพุงกลางใช่ไหมน้ำพอเราหิวเราก็ดื่มไปพอรู้สึกว่ามันหายหิวแล้วเราก็หยุด การกินอาหารกับไม่เป็นอย่างนั้นกินแล้วหายหิวแล้วยังไม่ยอมหยุดท้องมันยังไม่ตึงต้องให้มันตึงก่อนให้มันแน่นท้องให้มันอึดอัดท้องก่อนให้มันจนกระทั่งยัดเข้าไปไม่ได้นะันถึงจะหยุดกินกันอันนี้แหละกินแบบทำร้ายร่างกายไม่ได้กินแบบเพื่อช่วยเหลือร่างกาย เพราะเราคิดว่านั่นเป็นความสุขของเราความสุง ข, ของเราอยู่ที่การกินเราก็เลยต้องทุ่มสุดๆให้กับการกินแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความสูญเสียความสวยงามทางร่างกายไปร่างกายเคยมีสัต์มีส่วนเป็นเหมือนขวดน้ำกลายเป็นตุ่มน้ำไปแฟนที่เคยรักก็เลยไม่รัก กันก็เลยต้องออกไปหาขวดน้ำนอกบ้านเพราะอยู่ในบ้านเจอแต่ตุ่ม like น้ำก็มาเสียอกเสียใจกับเรื่องแฟนอีกเพราะเราไม่ดูแลร่างกายของเราให้มันถูกกับความต้องการของร่างกายเราเลยแทนที่จะได้รับความสุขก็ต้องนได้รับความทุกจากการที่เลี้ยงดูร่างกายมากเกินไป ใจเราก็วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายแต่ถ้าเรารู้จักแยกแยะว่าอะไรสําคัญกว่ากันอะไรควรจะดูแลมากน้อยกว่ากันต่อไปเราจะหันมาดูแลจิตใจของเราให้มากขึ้นเมื่อเราดูแลจิตใจมากขึ้นทําบุญทําทานมากขึ้นใจจะมีความสุขมากขึ้นเพราะได้รับประทานอาหารมากขึ้น เหมือนกับคนที่ไม่ได้กินอาหารทุกวันกินปีละสิบวั น, นกินเฉพาะวันขึ้นปีใหม่วันส่งท้ายปีเก่าวันเกิดวันสาคัญทางศาสนาเด่งนั้นไม่ได้ทำบุญทำทานเลยเอาเงิ น, นอาทองไปเลี้ยงดูร่างกายเสียหมดใจก็เลยเป็นเหมือนกับขอทานหิวโหวย อย่ตลอดเวลา เ, เพราะขาดบุญบุญนี่แหละคืออาหารของจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นทํากันอย่างสม่ําเสมอเหมือนกับการ <c oughs> เลี้ยงดูร่างกายเราเลี้ยงดูร่างกายวันละสามือ้อเราอย่างน้อยต้องเลี้ยงดูจิตใจอย่างน้อยก็วันละมื้อก็อย่างดีให้ได้ทําบุญใส่บาตรทุกวันเออ สมัยก่อนนี่หมู่บ้านเราจะมีวัดประจําหมู่บ้านกันเพื่อที่จะได้ให้มีพระมาบิณฑบาตญาณโยมจะได้มีโอกาสได้ทําบุญถ้าทาบุญแล้วจิตใจก็อยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขอิ่มน้ําสําราญใจแต่สมัยนี้ไม่ค่อยได้ทําบุญกันใจก็เลยหิวโหวยแล้วแทนที่จะไปทําบุญกลับไปหา สิ่งที่เป็นเหมือนยาเสพติดมาให้ให้ให้ใจเสพก็คือไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพกันก็คิดว่าเวลาเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเกิดความสุขใจแต่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาที่ได้เสพตอนนั้นก็สุขเวลาได้ดูหนังได้ฟังเพลงได้ไปเที่ยวได้ไปกินไปดื่มอะไรของที่ถูกตกถูกใจ ก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่เกิดความสุขใจเดี๋ยวเดวพอพอหยุดปั๊บมันก็หายไปพอออกจากโรงหนังมาความสุขนั้นก็หายไปทำให้อยากจะกลับไปดูใหม่ทำให้หิวให้เพราะว่ามันเป็นความสุขแบบยาเสพติดมันไม่ได้ทำให้อิ่มหนาสำลานใจเหมือนกับอาหารกินอาหารแล้วมันอิ่มมันจะไม่หิว แตเสพยาเสพติดนี้มันจะหิวจะอยากจะเสพอยู่เรื่อยๆแทนที่เราจะหาอาหารมาเลี้ยงดูจิตใจด้วยการทําบุญทําทานเราก็ไปหายาเสพติดมาให้ใจเสพหารูปเสียงกลิ่นลดต่างๆการไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดนี้ถือว่าเป็นการเสพยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอ นีแต่อยากจะเสพเพิ่มมากขึ้นเวลาตอนต้นเสพก็เสพนิดเดียวตอนต้นสูบบุหรีก็สูบแค่มวลสองมวลต่อมาก็สูบห้ามวลหกมวลต่อมาก็สูบเป็นซองเพราะมันยิ่งสูบมันยิ่งต้องการมากขึ้นถึงจะมีความรู้สึกว่ามันสุขถ้าสูบถ้าสูบเท่าเดิมแล้วมันรู้สึกว่าไม่พอต้องสูบเพิ่มมากขึ้น เดิมสุราก็เหมือนกันตอนต้นก็เดิมทีละแก้วก็พอต่อมาก็สองสามแก้วต่อมาก็เป็นขวดเดิมยพราะยิ่งเดิมมันยิ่งต้องการมากขึ้นความอยากมันต้องการมากขึ้นนี่คือวิธีหาความสุขให้กับใจโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นการเสพยาเสพติด วิธีที่หาความสุขให้กับใจที่ทําให้ใจอิ่มนี่ต้องเกิดจากการทําบุญทําทานะแทนที่จะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดลองเอาเงินนี้ไปซื้อไปทําบุญทําทานดูไปซื้อบุญดูะเอาไปทําทําช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้อเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงเรียน เป็นสถานที่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือต่างๆให้ให้เขาได้รับการแบ่งเบาความทุกข์ยากลาบากทาให้เขาได้มีความสุขขึ้นมามันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจขึ้นมาจากการที่เราได้เสียสละข้าของเงินทองให้แก่ผู้ที่เขาโอดอยากขาดแคลน อันนี้แหละจะทําให้ใจอิ่มใจสุขใจเย็นใจสบายจะไม่หิวกับการไปเสพยาเสพติดไม่หิวกับการไปเสพรูปเสียงกลิ่นล่นไม่หิวกับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นมามาเก็บไว้มาดูเล่นซื้อมาเป็นเครื่องประดับซื้อเพชรบ้างซื้อแหวนบ้างซื้อสร้อยบ้างซื้อต้มหูบ้าง ซื้อมาทำอะไรมันก็เอามาประดับเท่านั้นเองแล้วก็มาเป็นภาระทางจิตใจจะต้องคอยระวังดูแลรักษาต้องคอยกังวลคอยห่วงคอยห่วงเดี๋ยวเกิดเผลอลืมไปไม่ได้เอาไปเก็บเอาไว้วางไว้ที่ไหนดีไม่ดีหายไปก็เสีย อ, อกเสียใจอีกการใช้เงินแบบนี้การหาเงินเพื่อมาใช้เงินแบบนี้ไม่ได้เป็นการ เพิ่มความสุขให้กับใจหดาเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับใจความสุขให้กับใจก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวได้ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเวลาซื้อของมาใหม่ๆโอ้มีความสุขกับมันมากเกเล่นกับมันได้วันสองวันก็เบื่อละไม่ไม่สนใจละอยากจะได้ของใหม่ๆอีกนั่นแหละคือเหมือนยาเสพติดนะ ไม่ไม่เป็นความสุขที่จีรังถาวอนไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานทำบุญทาทานแล้วใจจะอิ่มไปหลายวันสุขไปหลายวันแล้วบางทีคิดถึงบุญที่ได้ทำไว้ก็ยังเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอยู่ อ, อันนี้เป็นเป็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพวกเราชาวพุทธ มาสร้างกันมาเลี้ยงดูเจ้านายอย่าไปเลี้ยงดูคนรับใช้คนรับใช้ก็ให้มันกินข้าวมื้อละร้อยบาทก็พอให้เสื้อผ้ามันชุดละสองร้อยก็พอพอให้มันมีใส่ปกปิดร่างกายได้ก็พออย่ารักษาโรค ก, ก็ให้มันรักษาสามสิบาทรักษาทุกโรคไม่รักษาโรงพยาบาลเอกไ ม, ไม่ไม่ส่งมันไปโรงพยาบาลเอ ก, กชนหรอกใช่ไห เวลาไม่สบายก็ส่งไปโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยแต่ถ้าเจ้านายเป็นอะไรนี่รีบส่งเข้าเอกช น, น, นทันทีนอนคืนละเมืนรักษาคืนละหมืนแล้วมันก็ถ้าจะหายมันก็หายเหมือนกันใช่ไหมถ้ามันจะตายก็ตายเหมือนกันตายถูกตายแพงหายถูกหายแพงนั่นเองนั้นะอย่าเอาเงินทองไปใช้ กับคนรับใช้มากจนเกินไปใช้พอให้มันอยู่ได้ก็พอปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าสอนให้มักน้อยสันโดดให้ใช้น้อยๆใช้เท่าที่จำเป็นเสื้อผ้ามีสักสองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักอีกชุดหนึ่งไว้สำรองเกิดเวลาฝนตกแล้วชุดที่ซักไม่แห้งจะได้มีชุดที่สารองไว้จะมีสองสามชุดก็พอ รองเท้ามีคู่เดียวก็พอเท้าก็มีอยู่คู่เดียวทำไมต้องมีรองเท้าหลายคู่เวลาใส่ก็ใส่ได้ทีละคู่อยู่ดีจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับการหาที่เก็บเสื้อผ้าหาที่เก็บรองเท้าใช้มักน้อยนี่สบายกว่าไม่ต้องมาคอยกังวลมาคอยเฝ้าดูแลรักษาไปไหนมาไหนก็ง่ายใส่กระเป๋าใบเดียวไปได้เลย ถ้ามีเสื้อผ้าเยอะๆมีข้าวของเยอะๆจะไปไหนทีไม่ไม่อยากจะไปนานกลัวเดี๋ยวข้าวของจะหายไปไหนก็ไปไม่ได้นี้เป็นภาระทางจิตใจยิ่งมีมากก็ยิ่งเป็นภาระกับทางจิตใจมากเพราะจะต้องเป็นเรื่องของกังวลมากต้องมีเรื่องคอยให้ คอยเฝ้าดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลามีน้อยๆนี่สบายกว่ามันหมดก็หาใหม่ได้มีสองสามชุดพอหายไปก็ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนชุดใหม่ใช้ชุดใหม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้พระนี่มีผ้าแค่หนึ่งชุดก็พอหนึ่งสำรับเรียกว่าหนึ่งไตจีวอนไตจีวอนนี่มีสามผืน คำว่าจีวอนคือผ้าผ้านุ่งว่าผ้าผ้าห่มเครื่องนุ่งห่มของพระเรียกว่าจีวอนอตายแปลว่าสามมีสามชิ้นหนึ่งชิ้นไว้เป็นผ้านุ่งชิ้นที่สองเป็นผ้าห่มชิ้นที่สามที่เห็นพระใช้ผ้าไหลนี้เป็นผ้าไว้สําหรับห่มกันหนาวเวลาหน้าหนาวก็ต้องมีผ้าห่มก็ให้ใช้ผ้า ผ้าชิ้นที่สามที่พระเอาพาดไหลเวลาไปทำพิธีอะไรต่างๆเพราะว่าสมัยก่อนนี้ไม่มีที่เก็บรักษาผ้าให้ปลอดภัยผ้าส่วนใหญ่จะอยู่ในป่ากันเป็นผ้าทุดง เวลาจะไปไหนพระพุทธเจ้าเลยบังคับให้เอาผ้าไปติดตัวไปทั้งสามผืนถ้าไม่เอาผ้าห่มกันเนาไปด้วยเดี๋ยวเท่งไว้ที่พระอาศัยกลับมาลิงมันอาจจะขโมยไปหรือโจรขโมยอาจจะมาขโมยไปก็เลยบังคับให้ต้องเอาผ้าติดผ้าห่มที่ไม่ได้ใช้อาติดตัวไปได้วยก็ให้พาดบ่าไว้เวลาไปทําพิธีเราจะเห็นพระท่านพาดบ่า มีผ้าพาดบ่าอันนั้นเป็นผ้าชิ้นที่สามเรียกว่าผ้าสังคติผ้าห่มกันหนาวส่วนผ้าผ้าที่ใช้เป็นปกติก็มีสองผ้านุ่งเรียกว่าผ้าสะบงแล้วก็ผ้าห่มเรียกว่าผ้าผ้าจีวรผ้าจะมีแค่ผ้าสามผืนนัพระพุทธเจ้าใช้ผ้าสามผืนก็พอมีแล้วมันสบายมีน้อยแล้วมันสบายมีมากแล้วมันเป็นผาละ ไปไหนมาไหนก็ต้องพลุงพลังขนข้าวขนของเป็นใบมดพระสมัยก่อนเป็นพระธุดงจึงไม่มีสมบัติมากเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนไปเปลี่ย น, ปปยนที่ในป่าในเขาเพราะอยู่ที่เดียวนานๆมันชินความความละมัดระวังความกลัวมันหายไปก็เลยต้องไปเปลี่ยนที่ ไปหาที่ใหม่ที่มันน่ากลัวที่มันจะต้องให้มีความระมัดระวังเพราะการมีความระมัดระวังนี่เป็นการการมีสตินั่นเองเวลาที่เราต้องระมัดระวังอะไรนี่เราจะมีสติคอยดูเช่นเดินไปในป่านี่เราจะเดินแบบเดินไปช้อปปิ้งตามห้างศูนย์การค้าไม่ได้ ถ้าเดินตามช้อปปิ้งนี่ใจจะลอยไปกับของตามร้านบางทีเดินไปชนกับคนนั้นเดินไปชนคนนี้เดินเหยียบสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะไม่ได้ดูว่าตอนเองกําลังเดินไปไปดูแต่ของที่อยู่ตามร้านแต่ถ้าไปอยู่ในป่านี้มันดูจะไปเดินชมต้นไม้ไม่ได้เพราะมันต้องดูที่ทางทางเดินว่ามีงูหรือเปล่ามีสัตว์อะไรหรือเปล่า มันก็เลยทำให้มีสติขึ้นมาพระที่ไปอยู่ป่านี้เพราะว่าในป่านในเขานี้มันเป็นที่ที่จะบังคับให้มีการเจริญสติมีความระมัดระวังถ้าไปเดินตามศูนย์การค้านี่มันไม่ใช้สติเดินมันใช้ความฝันเดินกันเดินแบบฝันเห็นนน่นเห็นนี่ก็ฝัน เวลาสวยนะได้มาก็จะดีนะจะได้ความสุขนะมันก็เพิ่ฝันไปแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าเดินในป่านี่มันจะมีแต่ความระมัดระวังมีสติมันไม่เพิ่มไม่ฝันมันไม่คิดถึงเรื่องอะไรมันจะคิดอยู่แต่ว่ากำลังเดินจะไปเหยียบอะไรหรือเปล่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าก็เลยทำให้มีสติขึ้นมาง่าย ถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิก็ทำให้ใจสงบง่ายพอใจสงบ ก, ก็จะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขของใจความสุขที่เต็มเหมือนกับเติมน้ำติมน้ำให้เต็มตุ่มเลยความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นวิธีตามน้ำในตุ่มให้เต็มความสุขที่ได้จากการทำบุญยังเป็นเหมือนตั ก, ตกน้ำเป็นขันใส่ตุ่ม ความสุขที่ได้รับจากการรักษาศีลก็เหมือนกันยังไม่ได้ความสุขแบบเต็มตุ่มแบบความสุขที่ได้จากการฝึกสมาธิทาใจให้สงบดังนั้นผู้ที่ต้องการเติมความสุขให้กับใจให้เต็มตุ่มนี้จึงมักจะชอบไปอยู่ตามป่าตามเขากัน มักจะชอบทำบุญมีเงินมีทองแทนที่จะเอาไปซื้อข้ า, อาซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของอหรูหราก็เอาไปแจกให้คนยากคนจนหรือยกให้ใครไปก็ได้พวกที่ไปบวชนี่เขาไม่เอาเงินทองติดตัวไปมีเงินทองมากน้อยก็ยกให้คนอื่นไปถ้ามีพ่อแม่ก็ยกให้พ่อแม่ไป ไม่มีพ่อแม่มีลูกมีเมียก็ยกให้ลูกให้เมียไปไม่มีลูกมีเมียก็ยกให้ชาวบ้านไปใครที่อยากได้ก็มาเอาไปอย่างมีประวัติของครูบาอาจารย์ลูกหนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นท่านชื่อหลวงปู่พรมนะสมัยที่ท่านเป็นคารวะท่านก็สนใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านกับภรรยาก็จะไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปฝึกสมาธิเป็นทาบุญทำทานอยู่จนจิตใจของท่านพร้อมที่จะออกบวชทั้งสองคนแล้วท่านก็เป็นเศรษฐีแต่ไม่มีลูกไม่มีหลานมีไร่มีนามีวัวมีควายมีบ้านมีสมบัติอะไรต่างๆท่านก็เลยประกาศ บอกชาวบ้านมาขายต้องการ ว, กวัวควายต้องการที่นาขายต้องการบ้านใครไม่มีก็มาขอแล้วท่านจะยกให้เพราะท่านกับภรรยาจะไปบวชกันพอท่านสละสมบัติเอาของเงินทองไปหมดท่านก็ไปอย่างสบายไม่ต้องมากังวลกับเรื่องสมบัติอีกต่อไปเพราะถ้ายังมีสมบัติอยู่เดียว ไปอยู่ป่าได้ไม่กี่วันเดี๋ยวคิดถึงสมบัติห่วงสมบัติเดี๋ยวต้องกลับมาอีกมาคอยดูแลมันก็จะไปไม่ได้ตลอดลอดฝั่งผู้ที่อยากจะไปอย่างตลอดลอดฝั่งนี้จะต้องไม่มีอะไรผูกมัดจิตใจให้กลับมาอมก็จะทําทานทําบุญทําทานให้มันไปหมดะพอท่านได้สละสมบัติเก้าวของเงินทองท่านกับภรรยาก็ไปบวชกัน ตัวท่านก็ติดตามไปหาหลวงปู่มั่นไปติดตามศึกษากับหลวงปู่มั่นจนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดตายไปกระดูก ข, ของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาลูกศิษย์ลูกหาท่านที่มีชื่อเสียงก็คือพระอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยพระอาจารย์เปลี่ยนที่อยู่เชียงใหม่นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปูพ่พรหมนี่คือ การเลี้ยงดูจิตใจต้องเลี้ยงดูจิตใจก็คือต้องเอาทุ่มเทเวลาให้กับการทำบุญทำทานการรักษาศีลและการภาวนาการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติแล้วการรักษาใจให้สงบไปอย่างถาวรด้วยการทำลายความอยากกิเลสตัณหาที่จะมาคอย ล้มะจะมาคอยทำลายความสงบที่ได้จากการเจริญสมาธิเนี่ยพอสามารถมีปัญญามารักษาความสงบได้ความสงบ ก, ก, ก็จะอยู่ไปตลอดความสุขที่ได้จากความสงบ ก, ก็จะสงบ ก, ก็จะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจไม่เหมือนร่างกายใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันตาย ใจอยู่ไปตลอดร่างกายตายไปใจก็ยังอยู่ถ้าใจยังมีกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็จะดึงให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอไปเกิดใหม่ก็ต้องมาวุ่นวายกับร่างกายอันใหม่วุ่นไปยังไงเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเหมือนเดิมพอตายก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อย เพราะว่าไม่ได้ดูแลใจไม่ได้ให้อาหารกับใจถ้าที่จะทําให้ใจอิ่มใจสุขใจพอเมื่อใจหิวเพราะเหมือนกับใจเป็นคนติดยาเสพติดติดรูปเสียงกลิ่นล่ที่จะต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือเสพใจก็เลยต้องไปหาร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆ ร, ร่างกายตายไปก็ไป รอรับร่างกายอันใหม่ก่อนที่จะไปรรับร่างกายอันใหม่ก็ไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าเป็นบาปดึงไปก็ต้องไปรับผลบาปไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนถ้ายัางไม่ได้เป็นเดรัจฉานก็ไปเป็นเปรตก่อนไปเป็นนัสสุลกายก่อนไป ตกนรกก่อนแล้วแต่ว่าทำบาปแบบไหนทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าบาปนี้มีโทษต่อจิตใจก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสูนลกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทกดเกลียดเ แ, แค้นก็จะไปนรก นี่คือบาปที่เราทำกันในแต่ละวันบังทีเราก็ทำบาปด้วยความโลภอยากได้เยอะๆเมื่อไม่สามารถที่ไปซื้อได้ก็ไปขโมยขโมยข้าวของหรือไปช่อโกงไปหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินเข้ามาทำงานเดือนๆไม่พอใช้ก็เลยต้องหาวิธีเสริมรายได้ แสมด้วยการขอรับชั้นช่อโกงด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ก็จะทำให้ไปเป็นเปรตนะถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่กลัวจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนกลัวกลวยุงจะกัดเดี๋ยวจะเป็นมาเลเลียก็เลยฆ่ายุงซะก่อนอันนี้ตายไปก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยการโกรธเกลียด เครียดแค้นอาฆาตปยาบาร์ใครทําให้เราไม่พอใจเราก็ต้องแก้แค้นล้างแค้นด้วยวิธีการต่างๆก็จะทําให้เราไปตกนรกนันถ้าทําโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่นต้องเลี้ยงชีพก็ทําอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะไปเป็นเดรัจฉานคิดว่าไม่บาปคิดว่าไม่เป็นไรเพราะต้องเป็นอาชีพต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ถึงแม้เป็นอาชีพถึงแม้จะเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ถ้ามันเป็นการทำบาปมันก็ยังเป็นบาปอยู่ก็ยังต้องไปใช้กรรมส่วนคนที่ชอบทำบุญไม่ชอบทำบาปมีเงินมีทองก็ชอบเอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่ว่าจะทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ ทำกับขอทานก็ได้ทำกับคนแก่คนเจลาทำกับคนพิการทำกับคนยากจนทำกับสัตว์เดรัจฉานปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยควายอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันทำแล้วก็จะทําให้ใจอิ่มเอิบมีความสุขใจเบา อ, อกเบาใจ ตายไปก็ไปเป็นเทพชั้นต่างๆจะเทพชั้นสูงชั้นต่ำก็อยู่ที่บุญมากบุญน้อยทำบุญน้อยก็ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่ำทำบุญมากก็ไปเกิดเป็นเทพชั้นสูงนี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่ไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมา เลียงดูร่างกายแล้วก็มาซื้ อ, อยาเสพติดให้กับใจหรือไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพซื้อของฟุ่มเฟือยมาเสพซื้อของหรูหรามาใช้นี่อันนี้เป็นการซื้ อ, อยาเสพติดแล้วพอซื้อมันก็ติดอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆพอมันเงินไม่พอใช้มันก็เลยต้องไปขโมยบ้างไปทำบาบ้างแทนที่จะได้ทำบุญกลับจะต้องไปทำบาปแทน แต่คนที่ชอบทาบุญนี้มักจะไม่ต้องไปทาบาปมักจะไม่ไปเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพเพราะเวลาทาบุญนี้มันทำให้มีเกิดความสุขใจอิ่มใจใจเลยไม่หิวกับยาเสพติดไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหรามาใช้คนทาบุญนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนมักน้อยสันโดษ ร่างกายก็เลี้ยงนงินพอให้มันอยู่ได้ก็พอไม่ต้องมีของแพงๆบ้านไม่ต้องเป็นของแพงๆขอให้มันหลบแดดหลบผลได้ดูแลปกป้องรักษาร่างกายได้ก็พอคนพวกนี้อยู่อย่างมีความสุขตายไปก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ยังต้องกลับมาเกิดมาอยู่ เพราะว่าก็ยังติดกับความสุขที่ได้จากการมีตาหูจมูกลิ้นกายพอจะได้ดูได้ฟังสิ่งที่รักที่ชอบถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดนี้จำเป็นที่จะต้องไปรักษาศีลไปบวชกันถ้าไปรักษาศีลของนักบวชศีลแปดหรือศีลสิบศีลสองรอยี่บเจ็ดเนีอันนี้ก็จะทำให้ มีเวลาที่จะได้ไปภาวนาไปทำใจให้สงบไปเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบพอใจสงบก็รักษาความสงบด้วยปัญญาเวลาเกิดความอยากที่จะมาทำลายความสงบก็ใช้ปัญญาทำลายความอยากไม่มีอะไรจะทำลายความอยากได้นอกจากปัญญาสตินี้เพียงแต่กดความอยากไว้ไม่ให้มันทำงาน แต่ไม่ไม่ได้ฆ่ามันเหมือนกับเหมือนกับก้อนหินที่เราเอาไปทับหญ้าไว้หินมันทับหญ้ามันจะป้องกันไม่ให้หญ้างอกงอกขึ้นมาแต่ไม่ฆ่าให้หญ้าตายพอยกหินออกมาเดี๋ยวหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากมันยังอยู่ในดินพอพอมันได้รับน้ำรับแดดเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาได้ตันหาความอยากก็เป็นเหมือนหญ้านี่ เวลาเรานั่งสมาธิเราใช้สติหยุดมันหยุดความคิดหยุดความอยากพอหยุดความคิดได้ความอยากมันก็หยุดเพราะความอยากมันต้องใช้ความคิดเป็นผู้นำต้องคิดถึงสิ่งที่เราอยากก่อนพอคิดถึงปั๊บก็อยากทันทีพอคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงกาแฟก็อยากดื่มคิดถึงละครก็อยากดู แต่ถ้าเราให้มันคิดอยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธมันก็จะไปมันก็จะไม่มีความอยากที่จะดูละครไม่อยากจะดื่มกาแฟไม่อยากจะกินขนมแต่พอเราเผลอปล่อยให้มันไปคิดถึงขนมมันก็อยากขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะให้มันไม่อยากขนมก็ต้องคิดถึงขนมตอนที่มันอยู่ในปากอย่าไปคิดถึงขนมตอนที่มันอยู่ในจาน คิดถึงขนมในจานมันเห็นแล้วมันน้ำลายไหลพอคิดถึงขนมที่มันอยู่ในปากมันเคี้ยวถูกบดถูกเคี้ยวผสมกับน้ำลายนี้มันก็จะไม่อยากกินนี่คือปัญญาปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้หายอยากสติเพียงแต่หยุดมันพอไม่คิดถึงมันมันก็ไม่อยากแต่พอกลับไปคิดถึงมันมันก็อยากแต่ถ้าคิดแบบปัญญามันจะไม่อยากทุกครั้งคิดถึงขนมคิดถึง ขนมที่อยู่ในปากเวลาเราเคี้ยวแล้วเราคลายมันออกมาใส่จานแล้วดูถ้าอยากจะตัดกลับก็ไปกินใหม่ว่าเอ อ, เ อ, อนั่นแหละคือวิธีแก้ความอยากด้วยปัญญา อ, อ, อย่างเหย่อง่าย จ, จะต้องใช้อย่างอื่นเอช่อนดูหนังก็บอกว่าก็ดูปั๊บเป็นกําลังสุขเดียวๆพอออกจากโรงหนังมาความสุขนั้นก็หายไปแล้วทําให้เกิดความอยากจะดูอีกแล้วถ้าอยากดูแล้วไม่ได้ดูก็ทุกข์อีก ถ้าอยากถ้าไม่ไปดูมันสักอยาก่างมันต่อไปมันก็ไม่มันก็ไม่ดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่ตายไม่ดูไม่อยากจะสบายกว่าอยากแล้วก็ต้องไปดูอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ดูก็ทุกข์เนี่ยคิดแบบนี้ด้วยปัญญาแล้วมันจะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่ทุกข์กันทุกข์เพราะความอยาก พออยากแล้วใจไม่สบายแล้ววุ่นวายกังวลกระวายก้าศับก้าสายหงุดหงิดนำคาญใจพอได้มาก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอีกวิธีที่จะทําให้ความอยากไม่โผล่กลับขึ้นมาก็ต้องอยากไปทําตามความอยากเวลามันอยากก็สอนมันด้วยปัญญาถ้ามันยังเด้อก็ใช้สติช่วยหยุดอย่าให้มันคิดถึงความอยาก อย่าให้คิดถึงสิ่งที่มันอยากถ้าจะคิดใกล้คิดว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปแล้วเดี๋ยวก็เสียใจเวลาได้ก็ดีใจพอมันหมดไปก็เสียใจให้คิดอย่างนี้ไปต่อไปมันจะไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรใจก็จะใจก็จะสงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปทำอะไร เป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพระอาหารหันตสาวกเนี่ยกิดจากการกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพอไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากดูอยากฟังอะไรไม่อยากดื่มอะไรไม่อยากกินอะไรใจก็เย็นสบายมีความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะ อดอยากขาดแคลนก็ไม่เดือดร้อนใจก็อิ่มเหมือนเดิมความหิวของร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความอิ่มของใจได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้จึงตายได้ทุกแบบตายด้วยเพราะอดอยากขาดแคลนก็ได้ตายเพราะแก่ก็ได้ตายเพราะเจ็บก็ได้ไม่เดือดร้อนเพราะใจอิ่มตลอดเวลานี่แหละเป็นวิธีหาความสุขให้กับตัวเรา เราต้องมาหาความสุขที่ใจอย่าไปหาความสุขที่ร่างกายเพราะจะได้ความสุขเพียงนิดเดียวได้ความสุขในระดับแก้วน้ำหาความสุขจากยาเสพติดก็กลับเป็นการหาความทุกข์หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากของฟุ่มเฟือยของแพงแพงของหรูหราแทนที่จะเป็นสุขมัน มันจะเป็นทุกข์มากกว่าเพราะมันจะต้องดิ้นรนหาอยู่เรื่อยๆหาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอในเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์ให้มาหาความสุขที่ใจดีกว่าถ้ามีเงินทองก็เอาไปทำบุญทาทานถ้าหมดเงินทองก็ไปบวชไปอยู่แบบนักบวชไปรักษาศีลไปเดินจงกรมเจริญสติแล้วก็มานั่งสมาธิทาใจให้สงบ ก็จะเข้าถึงความสุขเต็มร้อยเต็มตุ่มเต็มตุ่มน้ำแล้วใจก็จะอิ่มแต่พออยากสมาธิมาถ้าไม่ระวังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาตัดปัญญาก็จะสอนให้ดูว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขได้มาแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็หมดไป ของที่ได้มาเวลาจากไปก็จะเสียใจถ้าไม่มีก็จะไม่มีความเสียใจถ้ามีแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียใจเพราะจะต้องพัดภาคจากกันของทุกอย่างที่เราหามาได้ในโลกนี้เดี๋ยวพอเวลาเราตายไปเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็จะจากอย่างอย่างเสียดายอย่างเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็จากอย่างสบาย ไม่มีอะไรจะต้องเสียดายไม่มีอะไรจะต้องเศร้าโศกเสียใจอยู่ก็ไม่มีอะไรจะต้องมาคอยกังวลมาคอยดูแลรักษาเนี่ยนี่คือปัญญาอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากดีกว่าเพราะมันเป็นความสุขที่ถาวรที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเนี่ย ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกนี้ไม่มามีร่างกายแล้วเพราะใจของท่านไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้เมื่อไม่ต้องการอะไรจากโลกนี้ก็ไม่ต้องมีร่างกายเพราะเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองเมื่อเราไม่ต้องการอะไรในโลกนี้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิด ไม่ต้องมาทุกกับร่างกายไม่ต้องมาคอยเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายสบายกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ได้หายไปไหนนิพพานไม่ได้ทาให้ใจสูญหายไปไหนทาให้สูญจากการมาเกิดเท่านั้นเอง ใจที่เป็นนิพพานนี่เป็นใจที่สงบมีความสุขในตัวของมันเองเลยไม่ต้องออกมาหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะการหาความสุขผ่านทางร่างกายแทนที่จะเป็นสุขกลับเป็นทุกข์เสียมากกว่าคนเจลาดจึงไม่มีร่างกายดีกว่าอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่ามีแล้วทุกมีไปทำไมสู้ไม่มีดีกว่าการไม่มีร่างกายไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนศู์ไปไหนเราก็ยังอยู่ แต่เราอยู่แบบไม่มีร่างกายท่านนั้นเองพระพุทธเจ้าภาษาวกท่านอยู่กันตอนนี้ท่านก็อยู่แต่ท่านอยู่แบบไม่มีร่างกายเราเลยติดต่อกับท่านไม่ได้ท่านนั้นเองนี่คือเรื่องของการมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีมีศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านสอนให้เราทำอะไรก็ขอให้เราทาตามเถิด เชื่อไว้เถิดว่าทำแล้วจะดีกับเราดีกว่าไม่ทำดีกว่าไม่ทําตามท่านสอนให้เราทําบุญอย่าเอาเงินไปซื้อยาเสพติดเอาเงินมาทําบุญอย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าเอาเงินไปกินไปดื่มไปเล่นไปดูไปฟังเอามาทําบุญแล้วก็รักษาศีลอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นแล้วถ้ามีเวลาไปบวชได้ก็ไปบวช ไปทำจิตใจให้สงบจิตใจให้สงบแล้วก็จะได้ความสุขที่ถาวรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตาเกิดอีกต่อไปก็ขอให้ท่านจงนําเมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติแล้วความสุขที่ท่านปรารถนาและการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา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 มณีโชติอรโสยถาสัพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิศานิจังวุธาปัจายโน ยะตาโรธัมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางยูทูตทางเฟ e บุ๊กเข้ามาสองร้อยหกสิบห้าูทูบสองร้อยวิทยุออนไลน์สี่สิบเก้ารับฟังข้างบนนี้หกสิบห้า รวมทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าครับวันนี้เฟซบ o ๊มีปัญหาธรรมดาเข้ามาสามร้อยกว่า ม, มีคำถามเลยเดี๋ยวส่งไปให้พูดใกล้ๆปากหน่อยจะได้ยินเะสียงจะกลับเรียนถามครับจากที่มาฝึกที่นี่ครับไปสองสมวัน แต่แรกก็ปกติครับประกอบไปว่ามันแรกไม่มีปัญหาเลยพอวันหลังๆมันเนี่ยมันเกิดอาการง่วงซึมขึ้นมาครับอยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรครับเอ่ามันก็มีหลายสายเหตุเนี่ยมันนอนไม่พอมันก็ง่วงได้เช้ามาผมก็นั่งปกติครับลองฝึกปฏิบัติชั่วโมงหนึ่งก่อนไปทํางานนะครับออแต่ทีนี้เพราะไอ้วันแรกไม่เป็นครับวันที่สองมันมีอาการซึมๆแล้วผมก็เลยต้องเอาอารมณ์แรกที่ตั้งสมาธิครับมาปลุกตัวเองให้มันตื่นตัว กลับมาใหม่ก่อนเออก็ทําไปสิใจมันเป็นอย่างเนี้ใจมันงอนบ้างมันใจมันพยศบ้างเอใจมันสร้างอาการต่างๆขึ้นมาหลอกมาล่อลเราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องรู้ว่ามันเป็นมายาว่าใจมัเขาเรียกมายามันจะเป็นยังไงเราก็อย่าไปสนใจเราเถึงเวลาเรานั่งเราก็นั่งของเราไปพูดโธของเราไปดูลมของเราไปอม มันเสริมันง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินถ้านั่งแล้วหลับก็ลุกขึ้นมาเดินถ้ามันง่วงมากๆก็อย่าให้มันกินข้าวสักวันสองวันมันก็หายง่วงวันนี้ยงไม่ได้กินเลยครับทํางานเสร็จแล้วก็รีบมาถามหลวงพ่อก่อนครับว่ามันเป็นอะไรมันมีหลายสาเหตุมันเป็นมายามันเป็นกิเลสมันมันไม่ชอบให้เรานั่งนั่งแล้วมันจะมีปัญหาถ้าให้นั่งดูหนังไม่มีปัญหา นั่งเล่นไพ่ไม่มีปัญหาอพอให้นั่งสมาธิปัญหาเยอะเลยเขาเรียกนิวรณ์ อ, อุปสรรคที่กิเลสมันจะผลิตขึ้นมานิวรณ์มีอยู่ห้าอันอันหนึ่งก็ลังเลสงสัยนั่งเราจะได้ผลหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าคําสอนนี่มีจริงหรือเปล่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือเปล่ล า, ลาลบางทีก็สงสัยลังเล บางทีบางทีก็ง่วงนอนก็ตอนตอนอยู่วัดฟุงร้านไหนเราพูดให้เสร็จก่อนสิเอนครับตอนอยู่วัดเดี๋ยวตอนฟังก่อนอะไรวะไม่ฟังเ่ยเราจะไปรู้เรื่องหรอฟังเสษเนี่ยกำลังบอกว่าอุปสรรคที่มันใจมันผลิตขึ้นมามีอยู่ห้าอันความรังเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความง่วงนอนบางทีก็ฟุงซ่าน บางทีก็โกรธอารมณ์ไม่ดีโดรธเกียจบางทีก็อยากอ ย, ยากนู่นอยากนี่เนี่ยมันจะผลิตอาการเหล่านี้ขึ้นมาให้ด้วยว่ามันเป็นมายาของกิเลสจะพูดอะไรพูดก็ตอนปฏิบัติอยู่ที่วัดเนี่ยครับผมไม่เป็นสักอย่างเลยครับนนแล้วก็อตอนมันแล้วมันก็ไหลลื่นนะครับอตอนที่หลวงพ่อบอกให้ฝึกปฏิบัติมัน ทุกอย่างมันไปดีหมดเลยครับแล้วกลับไปบ้านวันแรกผมก็ยังปฏิบัติได้ปกติครับออมีเหยียบเบรคเข้าเกียร์ปุ๊บปุ๊ป๊ปุ๊ได้หมดเลยครับแลพอมาวันหลังๆจุ่จูมันเนี่ยพึ่งมาเริ่มเป็นสองวันเนี่ยครับเริ่มจุู่ๆเริ่มมีอาการง่วงนอนใส่เข้ามานะครับก็เราอยู่บ้านกับอยู่วัดมันไม่เหมือนกันเลยอยู่บ้านเราก็ไปทํานุ่นทํานี่อยู่วัดเราไม่มีอะไรทํำเราก็คุมใจได้ตลอดเวลา พอไปอยู่บ้านไปทํางานมันก็ไปวุ่นวายไปกับเรื่องนู้นเรื่องนี้อ๋อ oh. มันไม่มีการควบคุมเหมือนเหมือนตอนที่อยู่ในวัดมั น, นได้พยศได้อยู่วัดนี่มันถูกควบคุมอยู่มันเลยเชื่องอื oh. สังเกตเอาสิปฏิบัติทําไมไม่สังเกตตัวเองว่าว่าอยู่วัดเป็นอย่างไรอยู่นอกวัดเป็นอย่างไรมันของนี้มันดูได้ไม่ต้องมาถามกันก็ได้อื ใช่ไหมั้นเมื่อหจะฉลาดอะไรงเงก็ยังต้องง่อต่อไปเนี่แล้วก็มันไม่เข้าใจนะครับมาๆมีคำถามเลยไม่ไม่มีนะไม่ไีถามเอออ่า คถามครับคำถามจากคุณสดายุทธมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งกราบนมาสการพระอาจารย์ครับถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระแล้วแผ่ผลบุญไปให้กับเจ้ากรรมในเวรและญาติผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ทราบว่าท่านเหล่านั้นจะได้รับผลบุญไหมครับคือบุญที่เราแผ่มันไม่มีสิมีก็น้อยเพราะเรายังไม่ได้สําเร็จประโยชน์ จากการสวดอย่างแท้จริงเฉะนั้นถ้าอยากจะแผ่บุญให้ทําทําบุญดีกว่าให้เสียสละเงินทองบริจาคทําที่ไหนก็ได้ทํากับพระทํากับโรงเรียนทํากับโรงพยาบาลทํากับขอทานทําแล้วมันเกิดบุญขึ้นมาทันทีได้บุญมากกว่าบุญที่ได้จากการสวดมนต์ไหว้พระเพราะมันยังไม่ได้ผลเต็มที่นั่นเอง แล้วคนที่รับนี่จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ฐานะเขาถ้าเขาเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญเขามีบุญติดตัวไปเยอะพวกที่มารอรับส่วนบุญเป็นพวกที่เวลาอยู่ไม่ชอบทําบุญพอไปเลยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยต้องมารอรับส่วนบุญที่เราถ้าไม่มียานอย่างทราบเราก็จะไม่รู้ว่าใครรับหรือไม่รับเราก็ทาเผอไปก็แล้วกันถ้าเราไม่แน่ใจ เพราะมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเราทําบุญนี้เราได้เสียส่วนใหญ่บุญที่เราทํานี่ส่วนใหญ่เป็นของเราส่วนที่เราอุทิศไปนี้เป็นเหมือนเงินที่เราแบ่งให้ขอทานเราทํางานมาเราได้เงินเดือนเอาเงินเดือนออกเราจะเอาเงินเดือนนี้ให้ขอทานหมด <resonance S 3> หรือเปล่าทัานใดบุญก็เหมือนกันบุญที่เราทํานี่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของเราอยู่บุญที่เราอุทิศแบ่งให้ขอทานได้นี่กนิดเดียว พอให้เขาเยียวยาความหิวโหยไปได้ในเป็นพักๆเท่านั้นเองเป็นช่วคราวคำถามที่สองครับ <Okay. S 2> และระหว่างสวดมนต์ไหว้พระกับทําบุญให้ทานอันไหนที่ผู้ล่วงรับไปแล้วจะได้บุญเร็วกว่ากันครับก็เนี่ยทําบุญให้ทานได้เร็วกว่าเพราะมันได้เยอะกว่า บพาบุญที่เราได้จากการไหวพระสวดมนต์ถึงนั้นมันจะมากกว่าแต่มันยังทำไม่ได้ผลมันก็เลยยังไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่มีผลที่จะส่งไปคำถามจากคุณสัพป ร, รสีเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่นำมาปรุงอาหารถวายพระได้จากการซื้อมาจากตลาด อยากทราบว่าถ้าไม่มีคนฆ่าสัตว์เหล่านั้นจะมีเนื้อสัตว์มาปรุงถวายไหมคะแล้วทำไมคนเหล่านั้นต้องเป็นคนบาปอย่างนี้ถือว่ายุติธรรมไหมคะมันไม่ใช่เรื่องยุติธรรมมันเรื่องของจริตนิสัยของคนคนที่เขาชอบทำบาปเขาก็ทำบาปคนที่เขาไม่ชอบทำบาปเขาก็ไม่ทำบาปมีใครไปบังคับให้เขาทำบาปหรือเปล่า ไม่มีมีการบังคับให้เขาไปทําอาชีพฆ่าสัตว์มาขายหรือเปล่าไม่มีเขาเลือกทำของเขาเองแล้วมันไม่ใช่เรื่องยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมมันเรื่องของนิสัยหรือกิเลสตัณหาของแต่ละคนมันที่ถูกปลูกฝังมาในแต่ละภพแต่ละชาติมันก็ปลูกฝังมาเป็นนิสัยจนเป็นทําไมคนที่ใช้มือขวา บางคนใช้มือซ้ายคนที่ใช้มือซ้ายนี่ถือว่าไม่ยุติธรรมหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่เขาใช้มือขวากันมันไม่หรอกก็เป็นนิสัยของเขาเขาชอบใช้มือซ้ายเขาก็ใช้ไปจนติดเป็นนิสัยเขาคนชอบสีแดงชอบสีเขียวนี่ยุติธรรมหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของคนชอบใช่ไหมเคยชอบอะไรมันก็จะชอบเป็นนิสัยไปใครเกลียดอะไรมันก็เกลียดเป็นนิสัยไป การทำบุญทำบาปมันก็เป็นนิสัยแต่ของพวกนี้เปลี่ยนได้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็ฝืนมันรู้ว่าการฆ่าสัตว์ไม่ดีก็อยา่าไปฆ่าท่านนั้นเองไม่มีปัญหาอะไรที้มันไม่มีคนไม่ชอบเปลี่ยนนิสัยกันเพราะเวลาเปลี่ยนมันยากเปลี่ยนแล้วมันลำคาญเคยใช้มือขวาดูแล้วลองไปเปลี่ยนใช้มือซ้ายดูสิมันไม่ใช้หรอ นอกจากมือขวาขาดเท่านั้นน่ไม่มีมือขวาใช้มันก็เลยต้องมาใช้มือซ้ายมันก็เดี๋ยวมันก็ถนัดซ้ายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำบาปทำบุญนีเมันเป็นเรื่องของของนิสัยที่ถูกปลุกฝังมาแต่เปลี่ยนได้ถ้ารู้ว่าอันไหนไม่ดีรู้ว่าไหนดีก็เปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปทาแต่ตอนเปลี่ยนนี่มันยาก มันต้องบังคับถ้าไม่บังคับมันก็จะไม่เปลี่ยนคนบางคนไม่ชอบบังคับตัวเองเพราะบังคับแล้วมันรู้สึกทำให้มันไม่สบายใจก็เลยชอบทําตามที่เคยชอบชอบมีอาชีพฆ่าสัตว์เขาก็ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตรงนั่นไปพวกที่ไม่มีชอบอาชีพฆ่าสัตว์เขาก็ไม่กินเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์พวกที่ชอบกินเนื้อสัตว์เขาก็กินเนื้อสัตว์พวกที่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์ มันเป็นเรื่องของความชอบที่ปลูกฝังมาเป็นนิสัยเท่านั้นเองคำถามจากคุณอารยากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะทุกเช้าจะพาลูกสาวอายุ13ปีใส่บาตรและฟังเทศของพระอาจารย์ระหว่างทานข้าวแต่งตัวและเวลาว่างเป็นประจำแต่ทำไมลูกสาวถึงได้ดือ้อสอนก็ไม่ฟังชอบโกหก การเรียนตกมากทั้งที่เราดูแลพร่ำสอนจึงโทษตัวเองว่าไม่ดีและตัดสินใจจะให้ลูกไปอยู่และเรียนที่กรุงเทพอยู่กับปู่ย่าเพราะท่านว่างและยินดีรับดูแลแต่ดิฉันทุกข์มากเพราะเหมือนทิ้งลูกมีคำสอนของท่านที่ว่าส้มก็คือส้มกล้วยก็คือกล้วยดิฉันเป็นห่วงว่าลูกจะตะเลดิดถ้าคิดแบบนั้นคะ่ะควรทําเช่นไรคะ ก็ควรพยายามสอนเขาให้มากที่สุดถ้าที่มากได้หามาตรการที่จะควบคุมบังคับเขาถ้าเราไปตามใจเขาเราก็สอนเขาไม่ได้บางทีเราต้องใจแข็งเวลาเขาจะทําอะไรไม่ดีก็ต้องห้ามต้องลงโทษเขาให้เขาได้ดูว่าเวลาทําไม่ดีนี้จะเกิดโทษกับเขาต่อไปเขาอาจจะเปลี่ยนได้ แต่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วเขาไม่เปลี่ยนก็ถือว่าเป็นนิสัยสันดาลของเขาที่มันฝังลึกยิงยิงแก้ยากถ้าเป็นนิสัยนี่มันยังพอแก้ได้พอเป็นสันดานนี่มันแก้ยากเพราะว่ามันมันฝังลึกอยู่ในใจแต่ไม่มีอะไรที่จะแก้ไม่ได้เพียงแต่ยากหรือง่ายเท่านั้นเองยิ่งเรามีหน้าที่สั่งสอนอบรมเขาเราก็ต้อง พยายามทําให้เต็มที่แต่ก็ต้องระวังว่าอย่าไปทําจนเกิดความโกรธขึ้นมาเพราะเขาดือ้อแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะโกรธแล้วอาจจะไปทุบตีเขาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อาจจะทําให้โกรธเกลียดกันไปเั้นเราก็ต้องดูว่าเราสามารถที่จะสอนเขาสามารถที่จะควบคุมบังคับเขาได้ในระดับไหน ถ้ามันเกินระดับนั้นก็ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วไปฝากคนอื่นเลี้ยงก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีเวลาแล้วเขาจะเลี้ยงมีเวลาแต่เกิดเขาใจอ่อนเขาสงสารเขาตามใจก็อาจจะเสียหายมากกว่าทางที่ดีเขามักจะส่งไปโรงเรียนดัดสันดานจะดีกว่าไปโรงเรียนกินนอนนี้เขาไม่ค่อยใจอ่อนกับใครเด็กที่อยู่โรงเรียนกินนอนนี่จะต้องทาตามระเบียบทุกอย่าง ถ้าทําไม่ได้ก็บางทีก็แหกข้อไปแหกข้อก็แสดงว่าสอนไม่ได้แล้วอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมของเขาแล้วเราทําให้เขาดีที่สุดแล้วเมื่อเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับสั่งสอนให้เขาไปในทางที่ดีได้เราก็ต้องส่งไปที่โรงเรียนดัดสันดานแล้วถ้าเขาอยู่โรงเรียนมันก็ ย, ยังหนีหรือไปฝ่าฝืนกฎระเบียบจนถูกโรงเรียนเขาไล่ออก ก็ถือว่ามันก็เป็นกล้วยนะจะให้มันเป็นซ่อมไม่ได้นละ้เปลี่ยนมันไม่ได้นะคำถามจากคุณพิมพรกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาที่เราไปวัดทำบุญบ่อยๆมากขึ้นหนึ่งอาทิตย์หนูจะไปวัดสองวันค่ะแต่พอจิตใจเรามันสงบและรู้สึกตัวว่าการที่เราไปวัดมันทำให้เรามีความสงบและอิ่มสุขจริงๆค่ะ และหนูก็ได้มีความเพียรมากขึ้นและหนูก็ได้เพิ่มการไปวัดเพิ่มอีกในวันเสาร์และวันพระยังได้ไปทำวัดเช้าเย็นอีกด้วยเจ้าค่ะกราบเรียนถามว่าหนูปฏิบัติถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกแล้วไปบ่อยๆถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราไม่ทำเราต้องอาศัยวัดก็ไปที่วัดและถ้าต่อไปถ้าเราอยู่บ้านเราทาที่บ้านได้เราไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ คำถามจากคุณวันเรียนถามพระอาจารย์เมื่อเราโดนกิเลสครอบงำจนเกิดสังขารปรุงแต่งแสดงว่าสติอ่อนหรือปัญญาอ่อนครับอ๋อสติอ่อนปัญญาก็อ่อนด้วยปัญญามันอ่อนอยู่แล้วที่มันคิดปรุงแต่งก็เพราะสติไม่มีมไม่มีกําลังระ ง, งับความคิดปรุงแต่งแล้วถ้ามันคิดไปในทางกิเลสก็แสดงว่าไม่มีปัญญา ถ้ามีปัญญามันก็จะคิดไปในทางปัญญาคำถามจากคุณสวยหลอ่อกราบนมัสการพระอาจารย์ถ้ามีคนมาว่าเราแล้วบอกกับตัวเองว่าเขาว่าให้สังขารไม่ได้ว่าให้เราอย่างนี้ถือว่าวางจิตถูกไหมครับก็คืออยู่ที่ว่าเรา เราเราใจเราเป็นยังไงเราพูดอย่างนี้แล้วใจเราสงบหรือไม่ถ้าสงบก็ถูกถ้าไม่สงบก็ไม่ถูกนั้นเป้าหมายของการวางจิตก็คือให้จิตมันสงบให้มันเฉยต่อต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจนั้นจะใช้อุบายแบบไหนก็ได้ขอให้มันได้เป้าหมายที่เราต้องการก็คือวางเฉยไม่เดือดร้อน กับการพูดกับการกระทาของคนหรือกับอะไรก็ตามอย่าวางจิตว่าเราไม่มีก็ได้เราเป็นเพียงผู้รู้ก็รับรู้ไปออไม่มีตัวตนถ้ามีตัวตนก็มันก็จะไปรับทันทีว่ามึงด่าคู่นี่ว่ะออแต่ถ้าเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้รับรู้ไปว่าเออมันดา่ารู้ว่ามันด่าก็จบแต่ไม่มีการไปตอบโต้ไม่มีตัวตนออกไปรับไปตอบโต้ อย่างนี้ก็ได้หรือจะมองในแง่ของคนที่เขาพูดก็ได้ว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ฝนตกแดดออกฟ้าร้องนี่เราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้คนจะพูดจะชมจะด่าก็าไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ปล่อยเขาด่าไปปล่อยเขาชมไปเรามีหน้าที่รับรู้ก็รับรู้ไปคำถามจากคุณวิ พระอาจารย์เจ้าคะขอโอกาสถามคือเวลาถวายอาหารให้พระกับปิยะเราต้องมาทําให้สุกก่อนใช่ไหมเจ้าคะอาจจะเอามาเผาเผาไฟก่อนปรุงเอาทําน้ําพริกถ้าใช่เวลาเราซื้อจากแม่ค้าและเราไม่สามารถรู้ได้จะทําอย่างไรถ้าพระฉันกับปีนั้นคือของที่ต้องทําให้ตายนี่ต้องเป็นพวกเนื้อสัตว์ ของที่มีชีวิตอย่าเอากุ้งสดปลาสดอย่างดิ้นอยู่มาถวายพระต้องทอดะต้องฆ่ามันก่อนแต่ถ้าเราไม่ฆ่ามันก็ไม่ต้องถวายของที่มีเนื้อสัตว์ก็ได้ถวายผักขายอะไรก็ได้ถ้าเราไปซื้อของที่ตายแล้วมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะงั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าของที่เราจะมาถวายพระนี่มันมัน เหมาะสมกับการถวายคือต้องถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องเป็นของที่ตายแม้แต่เนื้อที่ตายแล้วมันก็ต้องเวลาทำเอามาผัดเอามาทอดหรือมาอย่างนี้ก็ต้องให้มันไม่มีเลือดเลือดต้องแห้งอย่าเอาแบบดุกสุกๆดิบๆถวายอาหารไม่ใช่ว่าตายหรือไม่ตายอาหารที่ไม่สุกเต็มที่ก็ไม่ได้ต้องเป็นอาหารสุก พออาหารดิบนี้อาจจะมีเชื้อโรคที่ยังไม่ตายติดอยู่ในอาหารอาจจะเป็นพิษต่อผู้บริโภคได้กินอาหารแบบดิบๆเช่นไข่นี้ก็ต้องเป็นไข่ที่สุกไขท่ทอดก็ต้องแห้งไข่ต้มไข่ดั้งก็ต้องแห้งไม่ใช่เป็นยวงนั่นไข่ที่เคาะใส่โจ๊กอย่างนี้ นี่เป็นเรื่องของเนื้อสัตว์หรือของที่ถ้าจะถวายพระต้องให้ถอาให้เป็นของสุกถ้าเราไม่แน่ใจซื้อจากแม่ค้าเราก็อย่าไปถวายซื้อของที่เราแน่ใจไปเท่านั้นเองอันไหนไม่แน่ใจก็อย่าไปซื้อมาถวายส่วนของที่เป็นผักนี่บางชนิดมันยังยังไม่ตายมันยังไปเกิดได้เช่นพวกผักบุ้งพวกผักชีพวกพลิกนี่มันมีเม็ดมีราก ถวายพระผ้ากินก็หาว่ากินของของที่มีชีวิตก็ต้องทําให้มันตายก่อนก็ถึงเรียกว่ามีการทํากัปปิยะการทําปิยะก็คือถ้าเป็นพวกผักเลืออะไรเราก็เด็ดมันเด็ดรากมันออกเด็ดอันเดียวเป็นตัวอย่างสมมติว่ามีผักบุ้งอยู่กำอย่างนี้เราไม่ต้องไปเด็ดทั้งทั้งกำก็ได้เวลาถวายพระก็เด็ดมัน าก้านหนึ่งให้แสดงว่าได้ทําลายมันแล้วและเวลาเด็ดนี้ก็ต้องจับให้มันอยู่ด้วยกันอย่าอย่ายกขึ้นมาก้านเดียวมันอยให้มันติดกันถ้าเป็นส้มก็ปอกเปลือกสักลูกหนึ่งฉีกเปลือกสักหน่อยก็ได้ว่าได้ไ ด, ได้ทําลายมันแล้วคือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพิธีแสดงว่าเราได้ทําให้มันตายแล้วพระกินของตายได้แล้วไม่บาปแล้ว เพราะสมัยก่อนคนโบราณก็ยังคิดว่าเป็นของมีชีวิตอยู่พ้านี่จะไปตัดใบตัดต้นไม้ไม่ได้ไปไปตัดยุง่งตัดหญ้าอันนี้ไม่ได้เพราะถือว่าไปฆ่าสิ่งที่มีชีวิตแต่สมัยนี้เราก็รู้ว่ามันมีชีวิตแต่มันไม่มีวิญญาณมันไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีบาปตามมาคำถามจากคุณบาส เวลาที่ผมมีโยมโทรมาปรึกษาเพราะโยมทุกข์หรือปรึกษาหาหนทางกับผมซึ่งลักษณะตัวผมอาจจะเป็นคนที่พูดเสียงดังแล้วพูดประเด็นตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมพูดเรื่องจริงชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงผมก็หลีกเลี่ยงที่จะไปพูดที่ไก ล, ไกล แต่มีโยมที่อยู่วัดแกว่าพระไม่ให้พระไปให้คำปรึกษาโยมเพราะผมพูดดังแล้วดุเดือดตามสภาพซึ่งผมพิจารณาแล้วต้องช่วยให้แนวทางยิ่งไม่รู้ต้องพยายามให้สว่างแต่แกมาพูดบอกผมว่าผมไม่ให้ไปสอนโยมแล้วแล้วบอกว่าพระพูดดังๆไม่ดีไม่ต้องไปสอนแบบนี้โยมมาสอนบอกพระไม่ให้ช่วย สอนโยมแบบนี้ให้พระอาจารย์สอนสอนโยมให้ทีครับ อ, อ๋อมันก็อย่าไปสอนคนอื่นสอนตัวเราดีกว่าคนอื่นก็จะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปไม่เกี่ยวกับเราเราสอนตัวเราให้เราทำดีพูดดีคิดดีก็แล้วกันถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็มาแก้ที่ตัวเราดีกว่า เราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้ดีไม่ดีกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาไปบอกให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เดี๋ยวเกิดเขาไม่พอใจเขาก็จะโกรธเกลียดเราขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปบอกก็อย่าไปพูดดีกว่าถ้าเรามีหน้าที่บอกก็บอกไปคนที่มีหน้าที่เช่นครูบาอาจารย์ท่านก็อาจจะสั่งจะสอนจะบอกได้ว่าทาอย่างนี้ไม่ดีทาอย่างนี้ไม่ดีนะอย่าทานะ พูดไปแล้วเขาก็จะไม่โกรธเขาก็จะเชื่อฟังแต่ถ้าไปสอนคนที่เขาไม่เชื่อฟังคนที่เขาจะโกรธก็อย่าไปสอนให้เสียเวลาคำถามจากคุณวรวันนั่งสมาธิดูลมไปเรื่อยๆจนรู้สึกมีความสุขพอมีความสุขสบายใจก็คิดซ้าไปซ้ามาว่ามีความสุขจริงๆแบบนี้ เราควรจะกลับมาดูลมต่อดีไหมเอเไม่ควรไปคิดดูลมไปเรื่อยๆเพราะมันจะสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราคิดมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นน่าดีไม่ดีมันก็จะถอนออกมาได้เดี๋ยวมันจะเผอไปคิดเรื่องอื่นต่อคาถามจากคุณพศพงศ์กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลูกพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ฝึกภาวนาในรูปแบบแต่ไม่ค่อยสำเร็จเพราะนั่งสมาธิได้ไม่เกิน 15-20 ถึงนาทีก็ต้องจบเพราะจิตไม่นิ่งพวงแต่เรื่องงานการลูกค้าห่วงพ่อแม่ชารามากแล้วที่ต้องดูแลลูกพยายามใช้วิธีดูจิต พยายามเจริญสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้นิ่งเย็นมากขึ้นฝึกมาสามปีแล้วทำอย่างไรลูกจึงจะภาวนาได้นิ่งๆใจไม่พวงเจ้าคะควรฝึกอย่างไรต้องมีเวลาไปปรีกวิเวกเนะถ้าเราอยู่กับงานกับการอยู่กับคนนั่นคนนี้มันก็เหมือนกับขับรถอยู่ที่ใต้ทางหลวน กับรถตามถนนหนทางมันก็ติดต์สิติดไฟแดงติ ด, ดรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดรถกับรถติดรถเสียมันก็เลยไปไม่สะดวกรวดเร็วแต่ถ้าได้ขึ้นทางด่วนแล้วมันก็จะไม่ติดการไปปีกวิเวกนี่ก็เหมือนกับการไปขึ้นทางด่วนเช่นเรามาอยู่วัดสาวันห้าวันเนี่ยไปปีกวิเวกขอขึ้นยอมเสียเงินหน่อยขึ้นทางด่วนใจเงินไปถึงเร็วกว่า เสียดายเงินก็อยู่ติดอยู่ข้างล่างการที่เราจะขึ้นทางด่วนแล้วก็ต้องสละเวลาสละงานการสละอะไระแล้วก็ไปปีกเว่ยเอยอมลดรายได้หน่อยทำงานทางานน้อยหน่อยเงินได้น้อยหน่อยแต่มีเวลาไปปีกเวเวกจะได้ไปเจริญสติทำใจให้สงบได้ง่ายได้เร็วได้มากถ้าอยากจะแก้ปัญหาที่เราติดอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยน เปียนที่ปฏิบัติที่เราปฏิบัติมันให้เราได้เท่านี้แหละถ้าเหมือนกับปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกไว้ในกระถางต่อไปมันก็มันก็จะเต็ม ย, ย, ยดินในกระถางมันจะหมดเหลือแต่หญ้าเต็มหรือแต่าแตหหรตากต้นไม้ถ้าอยากจะให้มันโตกว่านี้ต้องเอาลงดินเอาออกจากกระถางแล้วไปปลูกในดินมันถึงจะโตขึ้นได้ถ้าอยู่ในกระถางมันก็หมดละดินที่ให้อาหารมันมันหมด อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติอยู่ที่บ้านมันก็จะให้เราได้ในระดับหนึ่งพอพอมันเต็มที่แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่า น, นั้นถ้าอยากจะให้มันได้มากกว่า น, นั้นก็ต้องออกไปเปลี่ยนที่ไปหาที่สงบที่เราจะมีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่คำถามจากคุณสิริปรียา ช่วงจะตื่นนอนเหมือนดวงจิตมันรับรู้ว่าร่างกายทุกส่วนเหมือนสิ่งของมันหนักแต่อยู่ๆได้ยินเสียงพูดมานี่คือใจมันหลอนไปเองหรือเปล่าเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราเราจะเอาความคิดนั้นมาใช้ให้ประโยชน์ได้หรือเปล่า ถ้าเราเอามาคิดแล้วปล่อยวางร่างกายถือว่าร่างกายเป็นเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งมันจะเป็นจะตายก็เรื่องของมันมันไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างนี้มันก็ไม่หลอนมันก็เป็นปัญญาเพรานั้นมันอยู่ที่ความคิดของเราว่าคิดแล้วมันเอามาทำให้เกิดประโยชน์โดยทำให้เกิดโทษถ้าคิดแล้วทำให้เรากลัวทำให้เราทุกข์ให้เราไม่สบายใจอันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปสนใจ ถ้ามันคิดแล้วทำให้เราปล่อยวางได้ทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่เดือดร้อนกับร่างกายได้ก็เป็นความคิดที่ดีมันจะหลอนไม่หลอนเราไม่ต้องสนใจสนใจอยู่ที่ว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับเราคำถามจากคุณไพโรจน้อมกราบนามัสการพระอาจารย์ครับผมสร้างสติโดยการสวดมนต์ชั่วโมงเกือบสองชั่วโมง จบบทสวดมนต์ก็เดินจงกรมต่อแล้วมานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิก็ไม่อยากลุกแต่ต้องลุกเพราะได้เวลาไปใส่บาตรและไปส่งลูกที่โรงเรียนอย่างนี้ทําถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องถ้าถ้าอยากจะนั่งสมาธิมากขึ้นก็ต้องสวดมนต์ให้น้อยลงเดินจงกรมให้น้อยลง เอาเวลามาให้กับการนั่งสมาธิให้มากขึ้นเพราะนั่งสมาธิจะได้ความสงบมากกว่าการสวดมนต์กับการเดินจงกรมแต่ถ้านั่งแล้วไม่สงบก็อาจจะต้องอาศัยการสวดมนต์การเดินจงกรมไปก่อนถ้าอยากจะนั่งได้นานก็ต้องเพิ่มเวลาการนั่งให้มันมากขึ้นอาจจะเริ่มการปฏิบัติให้ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมจะได้มีเวลาเหลือไว้สําหรับนั่งสมาธิได้นานขึ้น ครัคนที่ส่งคําถามเรื่องครากระโยมะครับออบอกว่าผมหมายถึงว่าคนที่เขาว่าผมคือคนที่ได้ยินผมให้คําปรึกษาโยมทางโทรศัพท์ครับไม่ใช่คนที่ขอคําปรึกษาผมคือโยมว่าพระไม่ให้ไปสอนแต่โยมคนนั้นผมไม่ได้ไปสอนแกครับเออแกจะว่าก็ปล่อยแกว่าไปเราเป็นพระอย่าไปถือว่าใครแต่ไม่ได้อย่าไปถือว่าเป็นพระเราโยมซอกพูดไม่ได้ว่าไม่ได้ พระพุทธเจ้ายังถูกคนเขาว่าได้กลหานินทากล่าวหาได้ยิ่งอย่าไปถืออัตตาตัวตนว่าฉันเป็นพระคุณเป็นโยมอันนี้ผิดและเราน่ยผิดถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเราต้องคิดว่าเราพร้อมที่จะรับคำคำคำตําหนิติดเตือนจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระพระพุทธเจ้าสอนให้พระประวารณาตัวคำว่า ป, ปวารณาตัวแปลวาา่าให้เปิดโอกาสให้ผู้อื่น กล่าวโทษตำหนิตีเตียนได้เนี่ยวันออกพรรษาตามปกติพระจะลงสวดปฏิโมกข์แต่วันนั้นพระธเจ้าบอกให้งดแล้วให้พระมาป่าวารณาตัวต่อหน้าสงฆ์ว่าให้ประกาศตัวเองว่าการกระทาของข้าพเจ้าก็ดีถ้าท่านเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีว่ามันไม่ถูกต้องขอโปรดให้ท่านได้ว่ากล่าวตำหนิติเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิดเนี่ยนี้คือเรื่องของพระ ไม่ใช่ว่าเป็นพระล้วใครแตะไม่ได้โยมก็แตะได้เพียงแต่ว่าโดยโดยมารยาททั่วไปโยมจะให้ความเคารพกับพระแต่ถ้าพระทำตัวเหลียวไหลมันก็ถ้าโยมเขามีธรรมะ ม, มากกว่าทำไมเขาะต่ตำหนิติเตียนไม่ได้ถ้าโยมเ็าเป็นโสดาบันี้แล้วพระเป็นปุตตุชนอย่างนี้ทำไมพระโสดาบันจะตำหนิปุตตุชนคนธรรมดาไม่ได้ งั้นอย่าไปติดกับสมมุติว่าเราเป็นพระเขาเป็นโยมใช่อยู่โดยธรรมดาโดยทั่วทั่วไปเราก็จะไม่เราเป็นค า, ารวะเราก็ไม่ไปสอนพระหรอกบางทีท่านคนนี้เขาอาจจะมีธรรมะสูงเขาเห็นว่าเราไม่ทาไม่ถูกเขาก็เลยมาเตือนเราหรือเขาอาจจะไม่มีธรรมะแล้วเขาเขายิงเขาบ้าบิน่น อยากจะมาด่าพระก็ปล่อยก็ด่าไปขอให้เราฟังที่เหตุผลที่เขาแสดงว่าถูกหรือไม่ถูกก็แล้วกันถ้าสิ่งที่เขาบอกเราไม่ถูกเราก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าสิ่งที่เขาบอกเราถูกต้องเราผิดเราก็ควรที่จะแก้ไขดัดแปลงตัวเองเพราะการชี้ความผิดนี้เหมือนกับเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราธรรมดาเรามักจะเข้าข้างตัวเองเรามักจะคิดว่าเราถูกแต่ความจริงเราอาจจะผิดก็ได้ ดังนถ้าคนอื่นก็เห็นแล้วก็มาบอกเราว่าเราผิดเราจะได้แก้ไขได้ก็เหมือนกับเราแก้ปัญหาแก้สิ่งที่ผิดทําให้มันถูกก็เหมือนกับทําให้เราได้ขุมทรัพย์ขึ้นมาได้ความถูกต้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องการถูกเข้าว่ากล่าวติเตือนเข้ารหันินทานี้ขอให้เราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราพร้อมที่จะรับฟังเสมอ ส่วนเราจะทาตามหรือไม่อยู่ที่ว่ามันจริงมันมันมันเป็นจริงหรือไม่มันถูกต้องหรือไม่เท่านั้นเองถ้าไม่จริงไม่ถูกต้องเราก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปปล่อยเขาพูดไปเรื่องของเขาปากของเขาคำถามจากคุณวันนิพากราบเรียนถามพระอาจารย์คนที่มีสติปัญญา อ่อนกว่าคนปกติทั่วไปแต่สามารถสื่อสารรู้เรื่องเหมือนคนทั่วไปเป็นเด็กพิเศษที่ความสามารถบางอย่างมากกว่าคนอื่นและบางอย่างต่ํากว่าคนทั่วไปจะสามารถปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าเจ้าคะก็ต้องพัฒนาสติขึ้นมาให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจถึงคําสอนได้เข้าใจถึงการปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติตามได้ ถ้ายังไม่มีสติปัญญาที่จะรับทำได้ก็ต้องฝึกสติฝึกปัญญาไปก่อนอย่างนี้โรงเรียนเด็กคนเด็กพิการนี่ก็จะมีวิธีฝึกสติการสอนให้เด็กมีฝึกหาดให้มีสติเช่นสอนไปขีม่ม้าสอนให้ไปทำกิจกรรมต่างๆถ้าอยู่บ้านพ่อแม่ไม่มีเวลาก็ปล่อยให้อยู่แบบไม่มีสติไป ก็ไม่มีการพัฒนาการแต่ถ้าไปส่งไปอยู่ที่ตามโรงเรียนเด็กพิการทางสมองนี่เขาจะมีวิธีการจะฝึกสติให้เด็กมีสติฝึกปัญญาให้เด็กรู้จักคิดเป็นทางปัญญาแล้วหลังจากไปเรียนไม่นานเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการเมื่อก่อนทำอะไรไม่ได้เลยพอได้รับการฝึกฝนอบรมก็เริ่มทำาอะ ไ, ไดน้นี้เด็กพิการ ยังไปทํางานได้ะไปทํางานเป็นออปเปอเรเตอร์เป็นทํางานเป็นช่างซ่อมคอมทําอะไรได้เพราะได้รับการฝึกผลอบรมนั่นเองอันนี้ก็เหมือนการทางธรรมะก็ต้องให้เขาได้มีสติปัญญาในระดับที่เขาจะเข้าใจว่าต้องทําอะไรถ้าเขาเข้าใจสอนให้เขาทําบุญได้เขาทําได้ก็ใช้ได้สอนให้เขารักษาศีลได้เขารักษาศีลได้ก็สอนไป ฝึกสมาธิได้ก็สอนเขาไปอันนี้ก็ต้องดูความสามารถที่เขาจะรับไปว่าเขาจะรับได้ในระดับไหนคาถามจากคุณไตรศักดิ์กราบเรียนถามครับการฟังธรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิและการทำสังฆทานกับพระผู้ปฏิบัติควรทำทีประมาณไหนถึงจะดีครับมันแต่ละอย่างมันก็มีมันมี มันมีกรอบของมันการทําบุญทําทานนี่ก็ถ้ากรอบของมันทําให้เต็มที่ก็ทําให้หมดเลยมีเงินเท่าไหร่ก็ทําให้มันหมดไปอันนั้นแหละสิ่งเรียกว่าเรื่องของการทําทานส่วนเรื่องกองการอะไรสวดมน์ก็มีเวลาสวดเท่าไหร่ก็สวดไปอนั่งสมาธิมีเวลานั่งมากเท่าไหร่ก็นั่งไป แต่ละอย่างมันแล้วแต่แ ต, แต่แต่กรอบของมันว่าเรามีอะไรมากน้อยอย่างไรแล้วก็ทําไปตามที่เรามีมีเงินมากก็ทํางทำมากมีเงินน้อยก็ทําน้อยแต่เป้าหมายก็คือทําให้มันหมดหรือทําเพื่อไม่ให้มันเอาไปใช้ในทางที่ผิดคือไม่ให้เอาไปเที่ยวไม่ให้ไปซื้อของฟุ่มเฟือย ไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าต้องเอามาใช้กับสิ่งที่จาเป็นก็เก็บไว้เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่มันก็มีเก็บไว้ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องหมดแต่ถ้าจะไปบวชก็ไม่ต้องมีเพราะบวชแล้วก็มีคนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ไม่ต้องมีเงินเลยอันนี้ก็แล้วแต่กรอบของเราว่าเราอยู่ในสถานะไหนคาถามจคุณเกรงไกล กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเดินทางมาไกลาบางครั้งรู้สึกเคว้งคว้างอ้างหวางจะกลับไปเสพกิเลสแบบเดิมๆก็รู้สึกทุกข์จะเดินไปข้างหน้าต่อไปก็ยังขาดกำลังใจควรจะทำอย่างไรดีครับ กราบขอบพระคุณครับเข้าหาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังเทศฟังธรรมของท่านไปอยู่กับท่านให้ท่านควบคุมบังคับใจเราถ้าเราอยู่เองแล้วใจเราจะไม่มีอะไรมาคอยควบคุมบังคับบางทีต้องไปอยู่กับวัดที่มีครูบาอาจารย์แข่งขัดคอยควบคุมคอยสั่งเวลานี้ทําอย่างนี้เวลานี้ทําอย่างนั้นพอถึงเวลาก็ต้องทําถ้าไม่ทําก็อยู่ไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นเนะี่ยมันก็จะท่านก็จะดึงเราขึ้นมาได้ถ้าปล่อยให้เราดึงตัวเราเองเราไม่มีกำลังดึงเอองั้นถ้าเราอยู่คนเดียวฝึกฝนตามลำพังถ้าเราอยู่ในสภาพนี้เราต้องรีบเข้าหากูบาจารย์หรือเข้าหาหมู่คณะที่เขามี ม, มีวินัยที่เข้มขน้นมีการประพฤติปฏิบัติที่มีกรอบมีเวลาถึงเวลาบินทบาทก็ต้องบินทบาทถึงเวลานั่งสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิถึงเวลาฟังธรรมก็ต้องฟังธรรมถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะมีธรรมะรอเลี้ยงจิตใจชุดดึงจิตใจให้กลับเข้าสู่ทิศ ท, ทางที่เราต้องการจะไปต่อไปสุดท้ายนะคาถามจกคุณกฤษคุณ กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับสมัยนี้ฟังธรรมสามารถบรรลุพระโสดามันเหมือนกับสมัยพุทธกาลได้ไหมครับได้ถ้าคนแสดงเป็นพระอระิยะเป็นต้องเป็นอย่างน้อยเป็นพระโสดามันสองคนฟังก็ต้องมีศีลมีสมาธิที่เต็มร้อยศีลก็ไม่ขาดสมาธิก็คือจิตเข้ารวมเป็นฌานได้เข้าอัปปนาสมาธิได้ ถ้าผู้แสดงเป็นพระอริยบุคคลก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยมันอยู่ที่ผู้ฟังด้วยอยู่ที่ผู้สอนด้วยต้องพร้อมด้วยกันเหมือนปักไฟถ้าเป็นปักกลมก็ต้องใช้กับปักกลมถ้าไปเป็นปักเหลี่ยมเดี๋ยวมันใช้ด้วยกันไม่ได้หรือสามขากับสองขาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ยังเมันคนสอนกับคนฟังต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมด้วยกันทั้งสองฝ่าย คนสอนก็มีธรรมะแท้ของจริงคนฟังก็มีภาชนะคือมีศีลสมาธิก็สามารถที่จะรับธรรมที่ถ่ายทอดมาได้เอาล้งนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด